ติมตัวทั้บัดชเช้าพรามแล้วกระอะรหังสมมาสมพุทโธภะคะวา พระภูมีพระภาเจ้าเป็นพระอรหันต์ดาเพิงกิเลเพิงทุกสิ้นเชิงตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมี พระเจ้าว ah ิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้บบานสว่าขาโตภาคาวตาธรมโมพระ เป็นคาที่พระผู้มีพระภ า, า, า, าเจ้าตัดไว้ดีแล้วทำมังนมัสสามีห้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภาคาวะโต พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังขังนมามี้าพระเจ้านอบน้อมพระสง